พระวินัยปิฎกจุลวรคภาคสองขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอ้อน้ออมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหาขุดทกะวัตถุขันทกะขุดทกกะวัตถุว่าด้วยระเบียบปฏิบัติเล็กๆน้อยๆ เรื่องพระฉับ พ, พัคีสงน้ำขัดสีกายกับต้นไม้สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวนสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พัคี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 เหมือนพวกนักมวยปล้ำเหมือนพวกลูกหลานชาวบ้านเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตําหนิประนามโพธนทนาว่าบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังไฝ่การศึกษาจึงตำหนิประนามโพลทนาว่า